เรื่องภิกษุหนุ่มพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้ยินว่าพระเทระรูปหนึ่งพร้อมทั้งภิกษุหนุ่มได้ไปสู่เรือนของนางวิสาขาเพื่อรับพัฒหารแต่เช้าตรู่ฉันเล่านั่งอยู่ที่ดาของบุตรของนางวิสาขากำลังกรองน้ำเพื่อภิกษุหนุ่มนั้น เห็นเงาหน้าของตนในตุ่มน้ำจึงหัวเราะแม้ภิกษุหนุ่มมองดูนางแล้วก็หัวเราะนางเห็นภิกษุหนุ่มหัวเราะจึงกล่าวว่าคนหัวขาดย่อมหอัวเราะลำดับนั้นภิกษุหนุ่มด่านางว่าเธอก็หัวขาดถึงมารดาบิดาของเธอก็หัวขาดนางร้องไห้ไปฟ้องนางวิสาขาผู้ปัญญานางวิสาขาห้ามปราบภิกษุว่า ผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้วมีผ้านุ่งอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องตัดเที่ยวไปบินทบาทแล้วคำนี้เป็นคำไม่หนักสำหรับพระคุณเจ้าขออยา่าโกรธหลานของนางเลยภิกษุหนุ่มยังไม่ยอมรับและกล่าวว่าหลานของนางกล่าวคำไม่ควรพระเทระผู้ไปด้วยกับภิกษุหนุ่มเมื่อจะกล่าวสอนจึงพูดว่าผู้มีอายุจงหลีกไป หญิงนี้ไม่ได้ด่าดต่อเธอผู้มีผมเล็บและผ้าอันตัดแล้วผู้ถือกระเบื้องบิทฑบาตเพื่อพิสษาเธอจงเป็นผู้นิ่งภิกษุหนุ่มยังดึงดันว่าพระเทระไม่ห้ามปราบอุ ป, ปัฏฐายิกาของตนพระศาสดาสเสด็จมาถึงครั้นทง่งทราบเรื่องทั้งหมดทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิพลของภิกษุหนุ่มพึงคล้อยตามภิกษุหนุ่มจึงจะควร ดังนี้แล้วจึงตรัสแกนางวิสาขาว่าวิสาขาก็ทาริกาของท่านดาว่าสาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีศีษะขาดด้วยเหตุว่ามีผมอันตัดล้าเป็นต้นนั่นแหลควรหรือภิกษุหนุ่มลุกขึ้นประคองอัญชลีท่านใดนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่าพระองค์ย่อมทรงทราบปัญหานั้นดีพระศาสดาทรงตรัสว่า ชื่อว่าความเป็นคือหัวเราะปรารกกามคุณเป็นธรรมอันเลวอนหนึ่งการเสพธรรม ท, ที่ชื่อว่าเลวและการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่ควรตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนโรคโลก อธิบายว่าธรรมะอันเลวได้แก่ธรรมะคือเบญจา ก, กามคุณกามคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเรียกว่าหีนางธรรมังคือธรรมะอันเลวคือเบญจา ก, กามคุณทั้งห้าไม่พึงอยู่ร่วมแม้ด้วยความประมาทได้แก่ความมีอันปล่อยสติเป็นลักษณะกล่าวคือเผลอสติย่อมเป็นคนรกโล ก, โลก ชื่อว่าโลกะวัฒโนผู้ถือความเห็นผิดมิชาทิฏฐิผู้มีรู้รูปนามไม่รู้ความเกิดดับในการจบเทศนาภิกษุหนุ่มตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แกชนทั้งหลายผู้ประชุมกันดังนี้แลความอันที่จริงจะต้องตำหนิภิกษุหนุ่มตรงๆนั่นแหละว่าการกระทำอันไม่สมควร แต่พระพุทธองค์ทรงลายเห็นประโยชน์ในโซดาปฏิพลของเขาจึงตรัสตำหนิโดยอ้อมให้คิดก็ชื่อว่าได้ตำหนิแล้วว่าการหัวเราะเพราะเหตุกรรมคุณเป็นการเสพธรรมะอันเลวประมาทอยู่ย่อมไม่สมควรภิกษุหนุ่มพิจารณาตามจึงได้ดวงตาเห็นธรรมอันหนึ่งพระอริยบุคคลจะหัวเราะน้อยๆพระอริยบุคคลชั้นสูงจะหัวเราะเบาๆ แม้พระพุทธองค์ก็เพียงแต่ย้ำพระโอษฐ์เท่านั้นแต่ปุถุชนคนกิเลสหนาจะหัวเราะจนตัวโยกโครงน้ำตาไหล